ผลร้ายของการผูกความอาฆาตหลังจากอาหารเย็นวันนั้นแล้วข้าพเจ้าได้กล่าวแนะนำสามีภรรยาว่านี่นะคุณทั้งสองนะ่ะผมคิดว่าการที่คุณผูกใจโกรธแค้นวิญญาณของเกรซเชนไว้ในระยะหลังๆเนี้นะ่ะไม่เป็นผลดีกับคุณเลยนะความอาฆาตพยาบาทจะก่อให้เกิดผลร้ายแก่ตัวผู้อาฆาตเอง ยิ่งกว่าที่จะไปเกิดกับผู้ถูกอาฆาตผลเป็นอย่างไรคุณก็เห็นอยู่แล้วผมว่าคุณยกโทษและให้อาภัยวิญญาณเกรซเชนเส็ดดีกว่าเพราะตลอดเวลาเนี่ยเธอได้รับความทรมานมากกว่าคุณทั้งสองเยอะเลยนะคุณไม่สงสารเธอหรอกเหรอไม่อะคานตะโกนผมจะไม่ให้อาภัยมันอย่างเด็ดขาดถึงแม้คุณยังไม่สามารถให้อาภัยเธอได้อย่างเต็มที่ในขณะ น, นี้คุณก็ควรจะพูดว่าให้อาภัยไป พ, พลางๆก่อน เมื่อคุณพูดออกไปแล้วต่อไปจิตใจของคุณจะได้ค่อยๆอ่อนโยนคล้อยตามคำพูดไปได้บ้างทีละน้อยเอาละค่ะสำหรับดิฉันยอมให้อภัยแกเธอมาทากล่าวแล้วก็ร้องไห้ไม่ไหวแนะ่ผมยังไม่สามารถยกโทษให้อีผีร้ายนี่ได้หรอกคานกล่าวอย่างโกรธแค้นแล้วก็ลุกเข้าไปโดยมีมาทาตามติดๆเข้าไปด้วย ไม่อยู่แต่ลำพังคนเดียวข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นไปดับไฟฟ้าเสียต่อจากนั้นก็นั่งจิบเหล้าคอนหยกักพร้อมกะดูไฟในเตาผิงเพลินๆอยู่พักหนึ่งก็มีเสียงค่อยๆดังขึ้นข้างหูแกคิดว่าแกจะขัดขวางฉันได้อย่างนั้นเหรอเจ้าโง่ครั้นแล้วร่างของเกรซเชนก็ปรากฏขึ้นรางๆในความมืดข้างเตาผิงฉันไม่ได้เกลียดชังเธอหรอกนะข้าพเจ้ากล่าว แต่การกระทําอันชั่วร้ายเช่นเนี้ยควรจะหยุดกันได้สิทีเธอทนทุกทรมานตัวเองด้วยความเกลียดชังอยู่อย่างเนี้ทำไมฮฮฮหยุดเหรอไม่มีวันสิละแกฉันจะทำให้ชีวิตของแกต้องเดือดร้อนแสนสาหัสยิ่งกว่าสองภูมียนั้นอีกสำหรับสองคนนั่นน่ะฉันจะไม่ฆ่ามันหรอกแต่จะทรมานมันให้สาสมทีเดียวทาไมเธอจึงเกลียดเขา啊ข้าพเจ้าย้อนถามวิญญาณเกรซเชนอีกครั้งหนึ่ง อันที่จริงเธอเองก็น่าจะมีความสงบสุขได้แล้วนะเธอควรจะอยู่ในสวรรค์มากกว่าในนรกแบบนี้ความอาฆาของเธอนั่นแหละทําให้เธอเองต้องทนทุกทรมานอยู่เรื่อยไปเธอต้องทนทุกเช่นเนี้ยมาถึงยี่้าปีแล้วไม่ใช่เหรอช่างฉันฉันจะหยุดทรมานมันก็ต่อเมื่อมันทนไม่ไหวและมาพบว่าฉันที่นี่อีกนี่สําหรับแกนะระวังไวเ้เถอะถ้าแกยังขืนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของฉันแบบเนี้ย เมียของแกจะต้องเป็นไม้ไม่รู้ด้วยนะว่าแล้วร่างนั้นก็จางหายไปวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์ขณะที่ข้าพเจ้ากําลังเตรียมตัวจะกลับบ้านก็ปรากฏว่ารูปภาพผีสิงนั้นเข้ามาอยู่ด้านหลังรถของข้าพเจ้าแล้วมาทาเป็นผู้อธิบายใข้าพเจ้าฟังว่า เมื่อคืนนี้ดิฉันเอามันไปไว้ในห้องนอนอีกแต่แล้วต่อจากนั้นก็นอนไม่หลับรู้สึกกลัวเลอะเกินเราจึงช่วยกันขนรูปภาพลงมาไว้ในรถของคุณต่อจากนั้นจึงนอนหลับได้คานกล่าวว่าช่วยเอามันไปทีเถอะครับจะเอาไปไหนทําอะไรก็ตามใจขอให้เอาไปให้พ้นพ้นก็แล้วกัน ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าขับรถกลับบ้านวันนั้นรู้สึกอยู่เสมอว่ามีเกรสเชนติดรถมาด้วยและข้าพเจ้าก็รู้ทันทีว่าวิญญาณของเกรซเชนผูกพันอยู่กับรูปนี้อย่างแยกไม่ออกรุ่งขึ้นข้าพเจ้าได้ไปตามนักค้าของเก่าเกี่ยวกับงานศิลปะมาดูเพราะยังรู้สึกเสียดายไม่อยากทำลายมันเหมือนกัน เนื่องจากถึงอย่างไรอย่างไรมันก็เป็นภาพที่สวยงามไม่น้อยทีเดียวฟรานซิสพ่อค้าของเก่ามาถึงบ้านข้าพเจ้าในวันนั้นเขามองดูมันอยู่พักหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าตายจริงนี่นะคุณผมขอแนะนําคุณนะให้เผาภาพนี้ทิ้งเสีเถอะมันเป็นภาพที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความตายแน่นอนทีเดียวว่าแล้วเขาก็หันหลังกลับ ไม่ยอมเหลียวมาดูอีกเลยเมื่อหมดหนทางข้าพเจ้าจึงเก็บภาพนั้นไว้ในห้องเล็กที่ประตูด้านหน้าพลางๆก่อนคืนนั้นบังเอิญข้าพเจ้ามีงานต้องทำกลางคืนจึงออกไปที่ที่ทำงานและได้กลับมาถึงบ้านหลังเที่ยงคืนแล้วปรากฏว่าไฟนอกบ้านคืนนั้นดับคือไม่เปิดสว่างไว้เหมือนดังที่เคยมาข้าพเจ้านึกแปลกใจบ้างเล็กน้อย แต่ก็พยายามเปลี่ยนหลอดใหม่จนได้ทั้งๆที่ดึกมากแล้วเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบว่าไฟในห้องกลางชั้นล่างปิดอีกแทนที่จะเปิดทิ้งไว้เหมือนเช่นทุกๆคืนถึงตอนนี้ข้าพเจ้าขี้เกียจค้นหาสาเหตุเสจแล้วจึงเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆอย่างเงียบๆเพื่อจะเข้าห้องนอนแต่พอเกือบจะถึงห้องนอน ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงปลดเซฟปืนดังกริก๊กข้าพเจ้าจำได้ว่าเป็นเสียงปืนสั้นของข้าพเจ้านั่นเองข้าพเจ้าหยุดกึกทันทีและร้องถามออกไปว่ามาเรียนเธอหลับหรือตื่นนะ่ะตายจริงคุณหรือข้านั่นนะ่ะเสียงมาเรียนภรรยาของข้าพเจ้าตอบอย่างตกใจเกือบปแล้วสิ